วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรพืช น, นี้กระผมให้ภิกษุเองแล้วชิงคืนมาเป็นนิสกีกระผมสละจีวรพืช น, นี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต พึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าจีวรของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมอ ผู้เจริญจิวันเผื่อ น, นี้กระผมให้ภิกษุเียงแล้วชิงคืนมาเป็นนิสกีกระผมสละจิววันเผื่อนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจิวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจิววันขอพิสูจน์เช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จิวันเผื่อนี้แก่ภิกษุเช่อนี้ สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาพิสูรรูปหนึ่งผมอุตราสงเฉียงบ่าท้างหนึ่งนั่งประยงประหนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับจีวรเพลนี้กระผมให้พิสูรเองแล้วชิงคืนมาเป็นนิสกีกระผมสละจีวรเพลนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วเคินจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า กระผมคืนชีวรคืนนี้ให้แก่ท่าน